สิกขาบทวิพังแป8ที่ชื่อว่าท่อนยางในแก่สิ่งที่ทําด้วยยางท่อนยางที่ทําด้วยไม้ท่อนยางที่ทําด้วยแป้งท่อนยางที่ทําด้วยดินพิกษณียินดีการสัมผัสโดยที่สุดแม้สอดกลีบอุบลเข้าองค์กําเนิดต้องอบัตปาจิตตี